บุ๊ทูสามสิบสามทตรีที่สถานีรถไฟนวซรถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะคือรถไฟไปเบอร์ลิน รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะรถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะรถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะ รถไฟไปสต็อกโฮล์มออกกี่โมงคะอะไร о ี่นาฬิกาจะมีรถไฟจากนิกา้ไปสต็อกโฮรถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะอะไร о ี่นาฬิกาจะมีรถไฟจากนิกา้ไปบูดาเปดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะ ดิฉันต้องการตั๋วไปปราศหนึ่งที่ค่ะมยปทบเนบิเลียดดปรหิมดิฉันต้องการตั๋วไปเบอร์หนึ่งที่ค่ะมยปทบนบิเลียดดเบียรนรถไฟถึงเวียนนาเมื่อไรคะ ค, คิจัิบุไยูเวียนรถไฟถึงมอสโกเมื่อไรคะ ขลิตจากนิกไปบว่ายุมาสกุลรถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไหร่คะขลิตจากนิก п р บ б ы в а ุอัมสเตอร์ดมดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะจิตรบ่มีบุญปีรษะจวัตส์รถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะยาโกะท รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะจิเจกีดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซลหนึ่งเที่ยวค่ะมเนียปัตเรบเนบิเลตเดบรูเซียและตูลคิว н ดิ к ดิฉันต้องการตั๋วกลับโคโปเปนเฮเกนค่ะมเนียปัตเรบเนสโวร์ดนเนบิเลตเดค е เปนไกน่ ที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหรค่คะ